เน็ชาและอาการเคลื่อนไหวไม่ได้เมื่อนั่งสมาธินานๆปัญหาที่ทุกคนต้องประสบก็บคือความเมื่อยหรือว่าเหน็ดกินขาเข่าแข้งก่อนอื่นก็ขอให้เป็นเรื่องธรรมดาถ้านั่งขัดสมาธิสำหรับผู้เริ่มยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็น่าจะลองนั่งตามแบบมาตรฐานดูถ้าจิตนิ่งเกิดปิติสุขก็อาจจะสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่า กายและจิตไม่เครียดไม่มีส่วนไหนที่กดกล่าวคือหน้าตั้งคอและหลังตรงแบบสบายได้ดุลพอดีไม่โน้มมาข้างหน้าซึ่งจะทำให้น้ำหนักตัวกดลงที่ขามากกว่าการนั่งหลังตรงเพราะฉะนั้นจับจากจุดนี้เราควรเริ่มร่างอย่างสำรวจแล้วว่าเข้าที่เข้าทางดี เมื่อเริ่มดีก็จะแก้ปัญหาไปได้กว่าครึ่งอย่างไรก็ตามแม้จะนั่งถูกต้องหรือประสบความสําเร็จพบความนิ่งและปิติสุขธรรมชาติของเข่าที่งอนนานก็อาจจะทาให้เมื่อยหรือว่าเป็นเน็ดได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรฝึกเป็นนิสัยก็คือนั่งสมาธินานเท่าใดก็ควรลุกเดินจงกลมอย่างน้อยนานเท่านั้น นอกจากเป็นการฝึกภาวนาให้ตื่นรู้ทั้งขณะนิ่งและขณะเคลื่อนไหวให้ครบสูตรแล้วยังช่วยให้กายได้ผ่อนคลายความแข็งค้างอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายด้วยหากจิตนิ่งแบบกระด้างขาดความนิ่มนวลกายหนักเหมือนขยับขยื่นไม่ได้ก็อย่าตกใจขอให้วางอุเบกขาหายใจออกด้วยความคิดว่าเราระบายความหนักออกไป หายใจเข้าด้วยคิดว่าเราจะนำความเบาเข้ามาเพียงแค่สองสามละลอกกองลมก็จะเหมือนกายหลุดจากล็อกตอนนี้ก็เพราะจิตยกเลิอกอาการเพ่งหนัก ผ, ผ, ผิดนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากายเริ่มหนักแล้วเป็นกังวลกับความหนักนั้นก็เท่ากับเอาจิตไปจอกับสภาวะหนักเลยทำให้เกิดการเพิ่มเหตุปัจจัยของความหนักไปโดยปริยาย ความคันเมื่อทำสมาธิได้ถึงจุดหนึ่งหลายคนเกิดอาการคันขึ้นตามใบหน้ายุบยิบคล้ายมาแมลงตายหรืออาจจาะคันตามเนื้อตามตัวและเป็นทุกข์จนลำคาญเพราะไม่ใช่อาการคันตามปกติแต่คล้ายมีมแมลงตายอยู่จริงๆถ้าคิดอย่างไม่ใส่ใจนะักก็จะมองเป็นความคันธรรมดาทั่วไปก็ได้มีแต่มติของอาจารย์สมาธิบางท่าน เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เช่นกล่าวว่าสมาธิเป็นของสูงอย่างหนึง่งหากเรารักษาศีลไม่บริสุทธิ์ก็จะเกิดความคันขึ้นได้เพราะเอาภาวะสะอาดไปเกลือนกล้วกับภาวะสกปรกบางท่านก็ว่าการทำสมาธิเหมือนขุดอวิป่ากเก่าๆขึ้นมาชดใช้ในทางอ้อมคือให้เกิดความคันขยเยเสียและก็ถือว่าหายกัน บางคนอาจจะเกิดอาการแปลกๆเช่นจุกเสียดท้องปวดแสบปวดร้อนตามเนื้อตัวหรือปวดศีรษะอย่างแรงแล้วระลึกได้ชัดว่าเคยทำกรรมบางอย่างไว้โดยปรากฏเห็นเป็นนิมิตชัดประกอบกับอาการนั้นๆทีเดียวไม่ว่าจะมองความคันไปในแง่ไหนให้ถือเป็นการดีทั้งสิ้นเพราะถ้าพิจารณาว่าเป็นความคันตามปกติ เราก็เพียงยกมือเก่าเส้นหน่อยหนึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งฝึกภาวนาใหม่แนะนำวิธีนี้หรือถ้าเริ่มมีกำลังสมาธิบ้างแล้วและอยากสะสมขันติบารมีก็อาจจะ ก, กำหนดรู้เวทนาอันเกิดจากความคันเห็นทุกขเวท น, นาแรงขึ้นบ้างเบาลงบ้างอยากเก่าสุดขีดบ้างสามารถดูได้เฉยๆบ้าง กระทั่งความคันปรากฏเป็นสิ่งถูกรู้ว่าก็แค่อีกสภาวะหนึ่งที่มาแล้วก็ไปไม่ต่างจากสภาวะอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเอาความรู้ตัวเอาความสนใจไปปักอยู่กับอารมณ์สมาธิเสียไม่ให้ความสำคัญกับอาการคันในที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งปราศจากความหมายอย่างสิ้นเชิงแล้วก็สามารถอาชนะได้ด้วยความวางเฉยเป็นอุเบกขาทุกครั้งด้วย ถ้าพิจารณาว่าเกิดความคันจากความไม่สะอาดของศีลก็ให้ย้อนระลึกว่าเราคิดเราพูดหรือทำอันใดเป็นการละเมิดศีลหรือแม้แต่ทำให้ศีลด่างพร้อยก็สํานึกอย่างจริงใจแล้วอธิษฐานอย่างหนักแน่นว่าเราจะไม่พลาดคิดพูดหรือทำเช่นนั้นอกีกแม้ทำไปด้วยความเผลอก็จะสํานึกแล้วถอนออกจากอาการคิดพูดหรือทาอย่างนั้นทันทีเมื่ออธิษฐานเสร็จ จะเห็นว่ามีความสุขความอิ่มใจเออขึ้นมาแล้วก็ชนะความคันลงได้ถ้าพิจารณาว่าเกิดความคันจากความไม่สะอาดของศีลขอให้ย้อนระลึกว่าเราคิดเราพูดหรือว่าเราทำอันใดอันเป็นการละเมิดศีลหรือแม้แต่ทำศีลด่างพร้อยก็สมนึกอย่างจริงใจและอธิษฐานอย่างหนักแน่นว่าเราจะไม่พลาด คิดพูดหรือว่าทำเช่นนั้นอีกแม้ทําไปด้วยความเผลอก็จะสํานึกแล้วถอนจากความคิดพูดหรือทําอย่างนั้นๆทันทีเมื่ออธิษฐานเสร็จก็จะเห็นว่ามีความสุขอิ่มใจเ อ, อ่บขึ้นมาและชนะความคันลงได้ถ้าพิจารณาว่าเกิดความคันหรืออาการหน้าทุรนทุรายอื่นๆเพราะผลของกรรมเก่าว ก็ขอให้วางใจเป็นกลางตั้งความคิดว่าดีแล้วที่ใช้กรรมเสียแล้วในขณะของสมาธิเพราะดีกว่าใช้กรรมในนรกดีกว่าตีรันฟันแทงกับเจ้ากรรมในเวรความคันและการทุรนทุ ร, รายในสมาธิมีโทษน้อยมีทุกน้อยเมื่อทำใจยอมรับได้แล้วเช่นนั้นก็กำหนดแผนเห้ตาออกไปไม่มีประมาณ ตามวิธีการที่กล่าวในอุบายกําจัดพยาบาทเมื่อจิตอันไร้เวนภัยเปิดกว้างออกทุกพิษแล้วให้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวนที่เราละลึกได้เดี๋ยวนั้นหรือยังละลึกไม่ได้ทันทีขอจงได้ส่วนกุศลร่วมกับเราทั่วทั่วกันหากอธิษฐานหนักแน่นพอแม้ว่าเจ้ากรรมในเวนจะไม่ได้รับ ก็เป็นการชะล้างวิบากหลายส่วนสังเกตจะพบว่าอาการคารลดลงหรือหายขาดสนิทไปเลยตกพวังบ่อยธรรมดาเมื่อกำลังนั่งสมาธิไม่ดีนั้นเมื่อนิ่งได้สักพักก็จะงกง่วงหรือว่าจะมืดหายเงียบไปอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนมีภาคหนึ่งยังรับรู้อารมณ์สมาธิ แต่ก็ไม่ใช่ลักษณะตื่นรู้องค์ประกอบที่ส่งเสริมให้นั่งสมาธิเป็นไปอย่างมีคุณภาพนั้นไม่ใช่เฉพาะความขยันหมั่นเพียร น, นั่งอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าจิตของเรามีความสะอาดมีความเบิกบานจากการให้ทานรักษาศีลเป็นฐานพร้อมไหมชนิดที่ลงนั่งสมาธิแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ทานกับศีลเป็นอย่างไร สามารถตอบตัวเองได้ด้วยความเชื่นใจว่าบริสุทธิ์สะอาดและเบิกบานดีรวมทั้งต้องดูด้วยว่ากายของเราแข็งแรงสมบูรณ์แค่ไหนหากกินมากนอนมากไม่ออกกำลังเลยก็เป็นไปได้สูงที่จะขาดการค้ำจุนจากฝ่ายกายนั่งสมาธิครู่เดียวก็ไหลลงสู่ความง่วงหรือไม่ก็เงียบหายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้เหลือรู้ใต้ วิธีแก้ตรงๆก็คือควรทำทุกอย่างให้ครบองพร้อมทั้งเรื่องทานศีลการออกกำลังกายรวมทั้งฝุดนั่งบ่อยกระทั่งสามารถรู้ตัวได้ทันทีว่ากำลังไหลลงสู่ภวังสังเกตดูว่าเมื่อเริ่มอาการเช่นไรก็ดักดูเฉพาะอาการเช่นนั้นโดยทั่วไปจะไม่มีอาการวูบดิ่งหายวับทันทีทันใดแต่จะมีช่วงระยะเวลาพอประมาณที่ตั้งตัวได้บ้าง จังหวะดังกล่าวนั่นเองหากสติตั้งได้และกำหนดเริ่มนับหนึ่งใหม่ย้อนสาวกลับไปที่ก้าวแรกสุดที่ในการดำเนินจิตกำหนดรู้อารมณ์สมาธิก็จะเหมือนจิตตื่นรู้ขึ้นหน่อยหนึ่งเป็นการสั่งสมกำลังที่ต้านผวังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบอกตัวเองว่าสิ่งที่ทาใหเรารู้ดีที่สุดว่ากาลังตื่นคือผัสสะ อันเป็นของจริงในปัจจุบันเช่นลมหายใจนั้นมีแค่สองอย่างให้รู้ไม่ออกก็เข้าถ้ารู้ได้ก็แปลว่ายังตื่นอยู่หากจิตคล้อยลงสู่พวังแต่มีแรงซ้อนจากสติและวิธีกำหนดรู้อันเหนียวนำปิติสุขบางทีก็อาจจะวูบลงสู่ความตั้งมั่นเป็นหนึ่งได้ โดยเฉพาะผู้ที่สั่งสมสติรู้ทันภาษาปัจจุบันไว้มากๆขอให้คำใจว่าผวังสมาธิเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตแม้ภาวนาจนแกล้งกล้าปานใดเพราะฉะนั้นอย่าถือเป็นข้อด้อยแต่ให้ถือเป็นจุดสังเกตหนึ่งของการภาวนาเห็นจิตเป็นอัตนตนาเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่อาจบังคับควบคุม ให้ได้ดังใจเสมอไปการนิมิตสมาธิให้ส่งจิตออกนอกความหมายของคําว่านิมิตนั้นหมายหลายอย่างแม้เมื่อทําอนาปานสติจน จ, นจิตสงบตั้งมั่นเห็นสายลมหายใจชาดเป็นลำอย่างนั้นก็เรียกว่านิมิตลมหายใจได้หรือเมื่อกำหนดรู้กายโดยความเป็นศพแล้วเห็นสภาพขึ้นเอือด น้ำเลือดน้ำหนองทะลักออกมาอันก็เรียกว่าเป็นนิมิตได้เช่นกันคือเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ปรากฏลักษณะชัดต่อใจแต่บางทีก็นั่งสมาธิจนสงบนิ่งกึ่งเคลิ้มกึ่งรู้สติหรือว่ามีสติแจ่มชัดคมคายดีบางทีเห็นภาพผุคคลบางทีเห็นเหตุการณ์ลุ่มหน้าบางทีได้ยินเสียงเหมือนสวดมน บางทีได้ยินเสียงที่ชวนให้เข้าใจแบบเข้าข้างตัวเองว่าเทวดามาคุยกับเราและบางทีก็เป็นวิญญาณชั้นสูงมาคุยด้วยจริงๆนิมิจชนิดอื่นที่พบรองลงไปก็ได้แก่กลิ่นหอมละรวยเหมือนใครจุดธูปบูชาพระพร้อมดอกไม้ในห้องอันทำให้เกิดกำลังใจและความสบายในการนั่งต่อนานๆหรือว่ากลินน่นเมนซากศพที่ทาให ต้องทนนั่งต่อไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นนิมิตจึงเป็นคํากลางๆใช้ในทางดีหรือทางร้ายก็ได้แม้แต่แสงโอภาษก็เป็นนิมิตประเภทหนึ่งเพราะเป็นสิ่งถูกเห็นด้วยจิตแบบนำมาเทียบเคียงกับประสบการณ์ทางประสาทตาได้โดยทั่วไปสับว่านิมิตนี้มักนำมาอธิบายระดับชั้นของการฝึกศิล เช่นโอธาตะกะสินที่เคยว่ากล่าวไว้ในบทที่เก้าคือพยายามจดจำสีขาวให้ติดใจอาจเห็นสีขาวปรากฏในใจเป็นนิมิตต่างๆดังนิยามต่อไปนี้หนึ่งริกรรมนิมิตหมายถึงเห็นชั่วคราวเพราะจดจอวัตถุเข้าขั้นยกอารมณ์ขึ้นสู่จิตโดยที่จิตยังไม่ตั้งมั่นภาพในใจปรากฏปลุกปลุกปโคล้ายพระจันทร์ ในน้ำไหวบางทีเหมือนเห็นแวบหนึง่งแต่ส่วนใหญ่พล้าเลือนไม่เป็นรูปนานเท่าใดนะักท่านี้ก็เพราะว่าจิตยังอยู่ในภาวะนึกนึกคิดคิดคลื่นความฟุ้งซ่านเข้าแทรกแสงนิมิตเสียแบบเดียวกับเคลื่อนลบกวนที่ทำให้สัญญาณวิทยขขุขาดขาดหายหายข้อสองอกคหานินมิตหมายถึงเริ่มติดอยู่ในใจชัด ไม่ต้องกำหนดประคองมากก็เหมือนตั้งมั่นอยู่เองเหตุก็เพราะเริ่มตั้งมั่นบ้างแล้วคิดน้อยลงมากโดยทั่วไปจะอยู่ในขั้นหลับตาก็ยังเห็นวัตถุที่พยายามจังว้ตรงตามแบบตามต้นแบบเหมือนยังเลื่องตาเห็นอยู่ก็จริงๆิหรือแม้ไม่ตรงนักในรายละเอียดก็ใกล้เคียงมาก 3. ปฏิภาคคณิมิต หมายถึงนิมิตชนิดเทียบได้ว่าถอดเขามาจากของเดิมซึ่งใช้เป็นต้นแบบจะให้เหมือนกันสนิทก็ได้หรือจะให้แปลเป็นอื่นเช่นขยายใหญ่ขึ้นหดเล็กลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆก็อยู่ในวิสัยเมื่อทำความเข้าใจกับระดับนิมิต ด, ดังนี้ก็ทำให้มองง่ายขึ้นว่าจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว อาจทำตัวเป็นจอรองรับภาพเสียงกลิ่นรสและสัมผัสได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นของจริงหากเกิดสมาธิขั้นกลางคืออุปจารสมาธิมีอารมณ์สมาธิชัดเกิดวิเวทสุขและความตั้งมั่นนานจิตเปิดกว้างสบายดีแล้วหากน้อมไปสู่สิ่งใดก็เป็นไปได้สูงที่นิมิตของสิ่งนั้นจะปรากฏให้เห็น แต่สิ่งนั้นมักจะไม่จริงรมกันข้ามหากน้องมารู้กายใจที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันก็จะเห็นชัดและมักจะเป็นการเห็นตามจริงเช่นไล่ตรวจดูผมขนเล็บฟันหนังด้วยกำลังสติอย่างใหญ่แล้วก็เหมือนเกลียวเนื้อหนังออกได้ลงลึกเห็นโครงกระดูกเส้นเอ็นตับไตไสพุงทุกอย่างปรากฏในแบบมีพยานคาอยู่ ที่ให้ทราบว่าเป็นของจริงเช่นหัวใจเต้นตุบตับสอดคล้องกับจังหวะเต้นที่รู้สึกได้เป็นต้นสรุปคือถ้าสงเข้ามาในขอบข่ายกายใจจะเห็นของจริงว่าสามารถยกข้อธรรมเช่นอสุภกรรมฐานท่าสีหรือลักษณะศบเก้าชนิดมาพิจารณาเอาจากของจริงที่รู้เห็นแจ่มชัดนั้น อย่างนี้จัดว่าเป็นการใช้สมาธิไปเพื่อสติปัญฐาสีเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อจุดมุ่งหมายคือความพ้นทุกข์พ้นภัยอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าสมออกนอกขอบเขตกายใจก็ไม่มีอะไรจะประกันว่าเห็นของจริงหรือของปลอมและที่แน่นอนก็คือจะทําให้ยึดติดหลงตามสภาวะอันเป็นการกักกระไว้ในกองทุกข์ในการเวียนตายเกิด อันไม่เป็นที่รู้ประเด็นคือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอาจจะเกิดสัมผัสรู้เห็นขึ้นมาเองเช่นเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ก็เห็นเทวดานางฟ้าอันชวนให้เกิดทิศวัดอยากเห็นขึ้นมาอีกและตรงนี้แก้ทางได้ด้วยการกำหนดไว้ต่อไปนี้หนึ่งระลึกไว้ให้ขึ้นใจว่าเราทาสมาธิเพื่อให้จิตปราศจากนิวรณ์ พร้อมพิจารณากายใจโดยความเป็นขันหอายตนะหในลำดับต่ อ, ตอไปไม่ใช่เพื่อติดใจในชนวนทุกรูปแบบต่างๆ 2. อาศัยประสบการณ์จากเวทนานุ ป, ปัสสนากำหนดรู้ความสุขที่เกิดขึ้นดูว่าเป็นสุขที่สะอาดไร้มนทินหรือว่าเป็นสุขที่เจืออยู่ด้วยแรงดึงดูดของกิเลสโดยเฉพาะราคะเมื่อกาหนดรู้สุขเวทนา อันเป็นนามธรรมไร้รูปความสนใจในนิมิตย่อมก่อกำลังลงแล้วตัวสติทำหน้าที่ตัดนิมิตกลับมาสู่ฐานที่ตั้งของความรู้คือสภาพจิตเองในทางตรงข้ามถ้าเจอนิมิตที่น่ากลัวเกิดทุกขเวทนาชนะสติจริงๆก็จอดูอยู่เฉพาะทุกขเวทนานั้นจนกว่าจิตจะถอนออกจากความยึดจับเป็นจริงเป็นจังกับนิมิต าอาศัยประสบการณ์จากจิตตานุปัสสนากำหนดรู้สภาวะของจิตที่กำลังเด่นอยู่และก็สามารถเห็นได้ในขณะนั้นเช่นความนิ่งความกลัวความตื่นเต้นเมื่อเกิดสติรู้สภาวะจิตอันไร้รูปและละเอียดกวเวทนาโดยธรรมชาติย่อมค่อยๆสงบลงจากการปรุงแต่งแม้ขั้นละเอียดที่ใชน้นิมิตก็ไม่เกิดสรุปคือ เมื่อดึงสติกลับมาอยู่ในภาวะของจิตอันเป็นปัจจุบันนิมิตสลายไปแม่นิมิตกลับมาอีกบ่อยๆก็กลายเป็นเครื่องฝึกสติฝึกขันติรักษาวไว้เฉพาะสติรู้อย่างอื่นเห็นเป็นเครื่องขวางความกนะ้าวหน้าอาการหมุนเมื่อทาสมาธิไปสักพักหนึ่งและรู้สึกเหมือนกายหมุนก็อย่าเพิ่งตกใจส่วนใหญ่เกินกว่า90ิบในร้อย จะเป็นเพียงความรู้สึกจากภายในเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วไม่มีอาการเช่นนั้นอีกแต่บางคนก็น่าประหลาดคือหมุนจริงและเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาภายนอกไม่ใช่อุปทานภายในของตนตามลำพังไม่ว่าจะหมุนปลอมหรือว่าหมุนจริงถ้ากเกิดขึ้นบ่อยก็ขอให้สังเกตว่ามันเริ่มจากอาการของจิตแบบไหนโดยมากจะนิ่ง รู้กายชัดผิดปกติหรือไม่ก็เบาอยู่ข้างนอกแต่ภายในเริ่มอาการคล้ายมีพลังบางอย่างแทรกขึ้นมาในความนิ่งทำใจไว้ก่อนว่าอาการใดๆก็ตามที่เกิดจากการภาวนานั้นเป็นเพียงทางผ่านเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่าร้อนใจอะไรถ้าเริ่มรู้สึกเหมือนจะหมุน แล้วเราตั้งความรู้สึกมั่นคงอยู่กับที่บอกตัวเองว่าอาการหมุนเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตผู้รู้ผู้ดูไม่มีสภาพหมุนไม่มีรูปทรงให้หมุนเดียวเดียวก็จะรู้สึกหยุดกับที่และไม่เกิดอะไรขึ้นมากไปกว่านั้นแต่ถ้าจิตเราหมุนตามเช่นกลัวอาการที่เกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งต่อต่างๆนานาก็จะยิง่ง เป็นแรงผักดันชนิดเดียวกับที่หลอนให้อุปทานว่าหมุนเท่ากับไปเพิ่มกำลังให้กับการหมุนแล้วเรื่องก็จะไม่จบหากหมุนด้วยและปวดหัวด้วยอาจจะเป็นอาการพยายามเคลื่อนไหวของจิตในลักษณะบิด ต, ตัวธรรมดาจิตที่เริ่มรวมดวงได้ก็จะมีศักยภาพแยกเป็นต่างหากจากกายหยาบบางทีเหมือนจิต จะไม่อยากประกบกับกายหยาบตามปกติอันนี้ถ้าวางเฉยสักแต่รู้ไปเหมือนคำแนะนำข้างต้นกระทั่งจิตอยู่ในสภาพคงรู้ขออภัยค่ะในสภาพรู้คงที่ก็จะเห็นว่าอาการบิดตัวนั้นลดลงและหยุดสนิทลงในที่สุดแต่ถ้ายิ่งกลัวก็จะยิ่งบิดมากขึ้นเพราะได้แรงบิดจากความกลัวเช่นกัน ในกรณีของการหมุนจริงอาจต้องใช้จิตกำหนดบ้างเช่นแปะมือลงบนพื้นตรงหน้าแล้วอธิษฐานว่าเรานั่งสมาธิเพื่อหยุดนั่งสมาธิเพื่อความนิ่งรู้ไม่ใช่เพื่อหมุนตามกิเลสหรือว่าหมุนด้วยอัตโนมัติใดๆหากอธิษฐานด้วยจิตที่มั่นคงก็จะรู้สึกปักหลักโดย มีมือเป็นศูนย์กลางยึดเหนียวอาการเหมือนลอยคล้ายกับข้อก่อนสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือการลอยนั้นไม่ว่าจะรู้สึกไปเองว่าลอย หรือว่าลอยขึ้นเหนือพื้นจริงๆจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกเบาจากภายในคือทำสมาธินั้นเมื่อเกิดปิติสุขขึ้นแล้วก็ย่อมเกิดอาการกายเบาจิตเบาเป็นธรรมดาแต่บางคนจิตจะจับความเบาต่อเนื่องกระทั่งรู้สึกมันลอยขึ้นหรือว่าบางคนจับความเบาด้วยจิตมีกำลังแบบพัดขึ้น ก็อาจทำให้กายลอยจริงๆคู่ปรับของการลอยคือทาดินเพราะท่าดินเป็นทาดมีน้ำหนักให้ขบฟันเล็กน้อยรับรู้ความแข็งทึบของฟันแล้วกำหนดสติลงถึงกายนั่งในสภาวะจิตที่กำลังหนักแน่นนั้นควรจะสามารถกำหนดเห็นโครงกระดูกทั่วพร้อมได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเห็นต่อไปด้วยว่าสิ่งที่ฉาบเคลือบโครงกระดูกคือเนื้อหนังและน้ำเลือดน้ำหนองจะค่อยๆรู้สึกถึงน้ำหนักและปักนิ่งกับพื้นที่นั่งได้เองถ้าหากกำหนดช่วงแรกแล้วเหมือนยังลอยและไม่สามารถรับรู้น้ำหนักของท่าดินในกายก็ให้พิจารณาว่าเป็นเพราะจิตยังจับอยู่กับท่าลมหรือ ความเบาอยู่มากอย่าเพิ่งกลัวและอย่าเพิ่งคิดว่าจะทำให้สำเร็จเียงงเลึกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอาการของจิตก็ไม่เที่ยงแม้เราจะไม่กำหนดรู้ธาตุดินเพื่อให้เกิดน้ำหนักถ่วงลมในที่สุดจิตก็จะคลายและกลับลงพื้นได้เอ็นอยู่แล้วเกิดกระแสพลังโคจรหลายคนมีประสบการณ์ คือนิ่งคิดแล้วกล้ายเกิดพลังหรือความร้อนแปลกๆวิ่งพล่านไปทั่วร่างเรื่องของพลังนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกายเราอย่างถ้าเราถูมือและลองขยับเข้าหากันและขยับออกห่างสลับกันเข้าออกช้าๆอย่างนี้ก็จะรู้สึกถึงสนามพลังระหว่างฝ่ามือได้ถ้าเอาไปอังหน้าผากก็อาจจะรู้สึกร้อน และช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เป็นต้นยิ่งเมื่อเราฝึกโฟกัสจิตให้นิ่งพลังพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นวิธีที่ดีก็คืออย่าเพิ่มใช้และอย่าเพิ่มปล่อยให้มันกระจายพล่านไปแต่กําหนดรู้ตามจริงว่าเกิดพลังขึ้นและอาจวิ่งวุ่นอยู่อย่างปราศจากทิศทางไปตามตําแหน่งต่างๆของกายรู้ถึงกลุ่มพลังที่กระจัดกระจายนั้นพร้อมกับรู้ลมหายใจออก รู้ถึงกลุ่มพลังที่กระจัดกระจายนั้นพร้อมกับรู้ลมหายใจเข้าสักพักหนึ่งจะรู้สึกชัดที่ลมหายใจและกลุ่มพลังเกาะเป็นหนึ่งเดียวไม่วิ่งพลานหากมีความรู้อิริยาบถนั่งทั่วพร้อมก็จะเป็นพลังที่ไม่กระจุกคับแคบเราเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นว่าลมหายใจเป็นพลังตัาหากจากกันรรวมทั้งสภาพรู้ของจิต เป็นธรรมชาติคนละชนิดกับสิ่งเหล่านั้นให้กาหนดว่าเราจะรู้ลมหายใจและพลังกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มเป็นกลางกับการรู้ชัดนั้นเหมือนแยกออกมาเป็นผู้ดูต่างหากก็จะเป็นผู้ที่มาถึงหลักใจขั้นแรกของสมถะคือคงจิตอยู่ในสถานภาพผู้รู้สักแต่เป็นผู้เฝ้าสังเกตการใชเฉยเมื่อทาจนชานาญแล้ว นอกจากจะไม่เกิดผลเสียยังอาจมีผลดีข้างเคียงคือรู้จักเลือกใช้พลังได้ตามโอกาสเหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้แล่นพลานไปเปล่าๆประโยชน์ขณะเดียวกันก็ไม่ควรฝึกอะไรด้วยความโลภอยากเก่งซึ่งสวนทางกับการภาวนาเพื่อมักผลเพื่อความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการภาวนา แ บ, บพุทธกายเคลื่อนไหวเองอาการนี้มักพบบ่อยในผู้ที่เน้นนั่งสมาธิแลว้วก็เดินจงกรมได้ลักษณะบังคับมากเกินไปจะเกิดอาการคล้ายกันคือเมื่อสงบแล้วจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายเองตอนแรกคล้ายอุปทานอยู่ภายในแต่เมื่อลืมตาขึ้นดูหรือให้คนอื่นเฝ้าสังเกตไว ก็เห็นเป็นความเคลื่อนไหวจริงๆบางทีก็ออกไปในทางร้รำคล้า ย, ายถูกควบคุมจากสิ่งลี้ลับสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการนับเป็นสภาวะธรรมได้เหมือนกันจะเป็นของจริงหรือของปลอมขอให้ยกไว้อย่าให้ความสนใจว่าเรากำลังทำตลกหรือมีองมาลงอะไรตั้งความคิดไว้อย่างเดียวคือ เมื่อเคลื่อนไหวก็เป็นอิริยาบทหนึ่งจะอย่างไรกายก็ยังเป็นธาตุสีของมันอย่างนั้นไม่ได้ต่างไปเลยขอให้มั่นใจว่าหากจิตตั้งมั่นรู้สติในแนวของสติปัฏฐานสีอย่างมากที่สุดก็คือกายรู้โดยความเป็นเช่นนั้นแม้เมื่อกําหนดจิตเข้ารู้อยู่กับสภาวะของจิตบางทีการเคลื่อนไหวอาจไม่หาย เหมือนพลังงานผลักดันหรือเหมือนกายแยกไปมีชีวิตใจิตใจเคลื่อนไหวได้อิสระของมันถ้าเป็นบ่อยก็ขอแนะนำให้ฝึกอนาปานสติดีๆฝึกมาตามลำดับก็คือหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้กระทั่งถึงภาวะนิ่งระดับหนึ่ง เหมือนเราเฝ้าดูลมหายใจแต่ละชนิดเฉยๆเมื่อนั้นจึงถึงวาระสําคัญคือส้ำเนียดอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าคือกําหนดความนิ่งของกายไม่ปรุงแต่งขยับกระเยื่นกระดุกกระดิกรู้อยู่ในอาการนิ่งนั้นแล้วหายใจออกรู้อยู่ในอาการนิ่งนั้นแล้วหายใจเข้า ในที่สุดจะเกิดพลังสติมีกายที่ตั้งมั่นและไม่เคลื่อนไหวเองอย่างเคยจิตดิ้นเหมือนจะแยกออกจากกายบางทีเมื่อนิ่งแล้วอาจเกิดความรู้สึกเหมือนจิตจะดีดออกจากร่างคล้ายส่วนหนึ่งอันเป็นภายในของเราประกบกับภายนอกไม่สนิทอีกต่อไป